อีกเรื่องหนึ่งมาเงินในอดีตการพระประเจกับโพธิสัตว์5องค์พระประเจกทั้ง5องค์นี้บวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัส ป, ปะบัมเพญขตะตัจจะขะตะวัดนํากรรมฐานไปนํากรรมฐานกลับตลอดสองห0ื่นปีก็เราว่าโอ้พรเพียรพยายามปฏิบัติทั้งสอง0 0ื่ปีเนี่ยนะสิ้นชีวิตชาตินั้นก็อุบัติจุติแล้วก็ปฏิสนธิในเทวโลกจุติจากเทวโลก บรรดาทั้ทั้ง5นั้นะนะเทพปบุตรหัวหน้าก็มาเป็นพระราชาในกรุงพาราสีสี่องค์ที่เหลือก็เป็นพระราชาธรรมดาเป็นพระเจ้าประเทศราชคือสมัยนั้นเนี่ยพระเมืองพราราณสีมั น, เ ป, นเป็นเมืองใหญ่มากะนะเมืองที่อื่นก็ถือว่าเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยพระราชาแม้ทั้งสองค์นั้นก็เรียนกรรมฐานสละราชสมบัติบวชบรรลุปเป็นพระปเจกกับพุทธเจ้าโดยลําดับอยู่ที่เงื้อมเขานันทมูลกะเนี่ยนะ ให้พวกบริวารนี่โดยมากบรรลุ ก, ก่อนอาจารย์ทุกทีเลยนะพระประเจกมีหลายองค์แล้วเป็นยังไงนี่อาจารย์โมทำอะไรอยู่วันหนึ่งพระประเจกเหล่านั้นนี้ออกจากสมาบัติแล้วก็นึกถึงกรรมของตนทําบุญอะไรามาเนาะจึงได้มาบรรลุปเจ ก, กับพุทธเจ้าที่เป็นความสุขอย่างนี้แต่นะเห็นกรรมของตนและสหายโดยในที่กล่าวและในวังสกะลีสระคาถา รู้แล้วก็สแสวงหาโอกาสเพื่อจะแสดงอารมณ์โดยอุบายแก่พระเจ้ากรุงพาราณสีรู้ว่าเพื่อนคนนี้จะบรรลุเหมือนกันแต่แม้ช่วงนี้มันดูท่าจะบรรลุยากบางั้นะห้อมล้อมยังกาลังพึ่งขนาดนั้นนะพระราชาพระองค์นั้นเนี่ยก็สะดุ้งตื่นในเวราตรีทั้งสาครั้งเป็นเป็นแปลกว่าตกกลางคืนมาจะสะดุ้งคืนละสาครั้งอ่ะนะแบบอะไรนะลบนอนนอนไปสบายก็สะดุ้งเฮือกขึ้นมาครั้งคืนละสามครั้งก็เลยกลัว ร้องด้วยพระสุรเสียงผิดปกติวิ่งสู่พื้นใหญ่เนี่ยมันสะดุ้งกลัวมากเลยนะวิ่งใหญ่เลยแม้ถูกพวกปุโรหิตลุกขึ้นตามกราบทูลถามถึงการบรรทมเป็นสุขพระองค์ก็เลยเล่าเรื่องนั้นทั้งหมดว่าอาจารย์เรานี้จะมีความสุขมาจากที่ไหนกลาคืนกับสะดุ้งตื่นวิ่งเลยแหละฝ่ายปุโรหิตคิดว่าโรคนี้ไม่อาจจะกําจัดให้หายขาดได้ด้วยการประกอบยามีการถ่ายท้องเป็นต้นนะนะ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 สัมบัติของพระองค์ก็จะเสื่อมหมดพระองค์จะตายด้วยเหมาอนั้นเสร็จแล้วก็ทูลชวนพระราชาให้ประกอบการบูชายันเรื่องของเรื่องก็จะกินสว่วยอย่างนั้นแหละนะพระองค์ก็ต้องจัดช้างเท่านี้ม้าเท่านี้รถเท่านี้เงินเท่านี้ทองเท่านี้เป็นทักษิณาบูชายัญให้พ้นอันตรายสะดะเคราะห์ขนาดนี้แล้วสงบไม่มีปัญหาเหมือนั้นแต่ต้องช้างเท่านี้ม้าเท่านี้นะไอๆไอคนประกอบก็คือคนเสนอนั่นแหละ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 แต่นึกอุ้มบาดไปที่ลานบูชายันเข้าพระราชาประทับยืนที่ศีหบัญชรแลดูพระลานหลวงเห็นพระประเจ ก, กับพะพุทธเจ้าทั้ง4ี่พระองค์พระองค์ก็เกิดพระสเสนหาพร้อมกับการเห็นนั่นแหลเห็นสี่องค์แล้วรักมากก็อุปเพสเนวาที่เคยอยู่ร่วมกันในชาติต่างก่อนมาเนี่ยนะพอเห็นแล้วก็นึกรักไอ้คำว่าสเสนหาความรักนี้ไม่ได้เป็นลักษณะหญิงกับชายเท่านั้นแต่หมายถึงว่า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 ถามชื่อเนี่ยนะแม่ตอบบอกมาจากสี่ทิศมนันก็นนะข้าแต่ท่านผู้เจริญไอ้คำว่าทิศทั้งสเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรมันดียังไงไอส้สีมาจากทิศทั้ง4ี่เนี่ยนะคือคือคื อ, คอมันเป็นคําของโบราณนะโบราณเนะีนะ่ยเพรว่าท่านมาเพื่อประโยชน์อะไรคือทุกคําของสมัยนั้นเนี่ยนะเขาจะมีแต่คําถามประเภทนี้นะเป็นคําถามที่ตอบยากมากบางทีเราแบบคล้ายๆกับว่าไปเที่ยวไปเล่นในชะบอกมาเพื่อประโยชน์อะไรเนี่ยแม่งงเลยนะ จะบอกมาเที่ยวบอกโอ้ยเขาถามประโยชน์เราบอกมาเที่ยวไม่มีประโยชน์เนี่ยแม้เศร้าเลยเคนนั้นงั้นสมัยโบราณเขาแนะสนใจให้ความสําคัญกับประโยชน์มากเขาประโยชน์สมหาบาพีสในทิศ ท, ทั้งสี่อาตมาไม่มีภัยหรือไม่เคยหวาสดสะดุ้งอะไรทางใจเลยใจไม่สะดุ้งเลยไม่ในทุกสี่ทิศเนี่ยนะไม่มีสะดุ้งเลยก็เรียกว่าผู้อีกสํำจุนสํานวนหนึ่งแปลว่าผู้ไปในทิศ ท, ทั้งสี่ก็ได้ผู้ไปได้ทุกทุกทิศเหมือนกันเถอะ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 ครั้งนั้นอมาตย์ก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าบัดนี้ถึงเวลาเสวยพระกยาหารแล้วขอพระองค์จงเสวยพระองค์ก็ตรัสพระดํำรัสทั้งปวงว่าเราไม่ใช่พระราชาวางกันเอาไม่ใช่พระราชาแล้วเป็นอะไรออกเป็นพระประเจกกับพุทธเจ้าเนธเนธเขาบอกว่าพิจารณายัางไงจึงได้บรรลุเป็นพระประเจกกับพุทธเจ้า ท่านก็บอกว่าพระปัจเจกะสัมพุทธเจ้านั้นมีปกติอยู่ตามสบายในทิศทั้งสี่อยู่ในทิศทั้งสี่อย่างไม่มีความขัดเคืองอยู่ในทิศทั้งสี่โดยที่ไม่มีความไม่มีภัยไม่มีอันตรายยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้อยู่ในทิศทั้งสี่ครอบงาอันตรายทั้งหลายได้ไม่มีความหวาดเสียวพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียว ดุดนอแรกว่างั้นก็เลยอธิบายว่ามันนะในหน้า164อธิบายตามลำดับสับว่าจะตุดที่โศเพราะอถ า, าว่าบุคคล น, นั้นทิศทั้ง4แผ่พรมนิหารภาวนาไปตลอดทิศที่หนึ่งที่สองที่สที่4ในทิศเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางเป็นต้นเนี่ยนะนคำว่าปลอดภัยในสี่ทิศก็คือเจริญเมตตาไปได้ทุกทิศ ไม่มีทิศไหนที่มันมีภัยเจริญพระมิหารไปในทิศทั้งสี่ไม่มีทิศไหนที่เป็นภัยบอกว่าไม่เดือดร้อนเพราะไม่เบียดเบียนสักทั้งหลายไม่เบียดเบียนสัสังขารทั้งหลา ย, ย, าลายด้วยภัยในทิศเหล่านั้นทิศใดทิศหนึ่งก็คือมีเมตตามีการุณามีมุทิตามีอุเบกขาในทิศทั้งสี่เนี่ยนะก็สันโดษ ด, ด้วยสันโดษสบสองประการ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 ปฏิบัติโดยเยกคายแยบค า, ายก็คือปฏิบัติตามวิสุทธิทั้งเจ็ดนั่นแหละแล้วก็เพราะฉะนั้นบุคคลอื่นที่ปรารถนาเช่นนั้นก็ต้องครอบงำอันตรายเพราะเป็นผู้อยู่ในทิศทั้งสีไม่หวาดเสียวเป็นผู้ไม่มีความเดือดร้อนพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอเรตฉะนั้น น, น, นะนะ